ขอแนะนำเพิ่มเติมเกี่ยวกับแนวทางของพระกรรมฐานนั้นส่วนมากจะก็ใจผิดว่าท่านไม่สนใจป ร, ริยัติซึ่งนั่นหมายถึงขณะมาปฏิบัติและศึกษามากพอแล้วก็ให้วางลงก่อนในประวัติของหลวงปู่มั่นที่มีบันทึกไว้นั้นท่านเน้นป ร, ริยัติมากแนะนำให้สิทธิ์ควรได้ศึกษาให้ได้ระดับหนึ่งและท่านเองก็ศึกษาจริงจังมากนะครับ ซึ่งจะมีประโยชน์มากในการฟังธรรมและการเผยแผ่ธรรมต่อไปจะได้เข้าใจตรงและง่ายขึ้นสำหรับองค์หลวงตาพระมหาบัวนั้นเป็นที่น่าเสียดายที่คนจำนวนมากที่ไม่เข้าใจและมองท่านผิดโดยไม่เข้าใจว่าท่านถึงจริงแค่ไหนบางทีก็ตัดสินด้วยกิริยาภายนอกหรือเป็นการสอนสิทธิเฉพาะหน้าโดยตรงที่จาเป็นต้องใช้ภาษาแรง คโคกสับกิเลสกับคนดื้อด้านบางคนหรือบางครั้งก็ต้องไม่ลืมว่าท่านเกิดมาในยุคอดีตที่คําเหล่านั้นในท้องถิ่นของท่านไม่ใช่คําหยาบหรือบางทีก็เป็นคําที่คนเฒ่าคนแก่พูดกับลูกหลานปกติแต่คนใกล้ชิดฟังแล้วจะรู้ว่าท่านพูดด้วยเมตตาไม่ได้พูดด้วยจิตที่หยาบตัวอย่างในพระไตรปิฎกก็มีปรากฏชัดนะครับว่าพระอรหันต์พูดคำหยาบติดปาก และพระพุทธเจ้าตรัสรับรองว่าไม่ผิดไม่อาบัติเพราะพระอาหารหันต์ทำอะไรสักแต่เป็นกิริยาไม่เป็นกรรมขาดเจตนาไม่ได้พูดด้วยประสงค์ร้ายหรือต้องการทำร้ายกันด้วยวาจาเพราะคนบางคนสอนด้วยคำเพราะๆไม่ได้ผลแต่พอใช้คำแรงๆกลับฉุกคิดเห็นภาพชัดก็มีอยู่เป็นประจานะครับทั้งนี้ไม่รวมกับพระหรือคนที่ผิดจริง ที่อาจมีกิริยาเหมือนท่านแต่เจตนาทางจิตต่างกันคนละด้านซึ่งก็ต้องใช้ปัญญาแยกแยะให้ถูกต้องต่อไปไม่อย่างนั้นจะกลายเป็นบูชาคนผิดได้หรือใช้เป็นข้ออ้างให้แก่ตนและคนที่ตนนับถือที่จะทำผิดต่อไปได้นะครับส่วนตัวแล้วตอนแรกไม่ได้ศรัทธาท่านเลยแม้แต่น้อยแอนตีท่านปรามาท่านด้วยซ้าแต่ด้วยครูบาอาจารย์หลายท่านที่ผมศรัทธา ที่อ่านใจเราได้และท่านเคารพเทิดทูนหลวงตามากก็เลยเอียดใจและลองเปิดใจศึกษาคําสอนของท่านก็เลยซึ้งเลยทีนี้ยังไม่นับกับที่ได้ไปเจอกับเรื่องเหนือธรรมชาติกับองค์ท่านโดยตรงหลายครั้งยิ่งการได้พบองค์ท่านโดยตรงยิ่งสัมผัสได้ถึงกระแสแห่งความเมตตาและความอ่อนน้อมถ่อมตนของท่านยังประมาณไม่ได้และเห็นชัดเลยนะครับว่ากับหลายคนท่านปฏิบัติพูดจา น้ำเสียงแตกต่างกับสิทหัวดือ้อที่ท่านเจาะ จ, จงสอนแบบแรงๆกับคนพวกนั้นอย่างไรบางท่านเนี่ยถึงกับไล่เพราะมิจฉาทิฏฐิรุนแรงและดื้อมากซึ่งคนไม่เข้าใจก็อาจมองว่าถ้าเมตตาจริงจะขับไล่ทำไมเรื่องนี้พระพุทธเจ้าท่านก็ทำเป็นตัวอย่างมาแล้วนะครับที่เป็นการไล่ด้วยเมตตาเพราะถ้ายัางไม่ขับออกไปเขาจะทาผิดหนักขึ้น และส่งผลเสียกับตัวเขาเองชนิดที่นับประมาณไม่ได้คือถ้าว่าในเชิงลึกการทำชั่วบางอย่างนั้นทำชั่วในสำนักที่มีพระอาริยะเป็นประธานสงฆ์และหมู่เพื่อนพระมารียเป็นพระอาริยะย่อมส่งผลให้เกิดบาปร้ายแรงมากขึ้นกว่าการไปทำสิ่งเดียวกันหรืออยู่ร่วมกันกับปุถุชนด้วยกันนะครับขอฝากข้อคิดสาหรับหลายท่านไว้ ถึงเรื่องความเป็นอริยะที่มาจากพระไตรปิฎกถึงข้อที่การตัดสินว่าใครดีไม่ดีบรรลุไม่บรรลุทั้งที่ภายนอกดูไม่ต่างกับคนธรรมดามีกิริยาไม่เรียบร้อยกดจาไม่เพาะหรือดูเหมือนยังมีกิเลสพระพุทธเจ้าตรัสว่ามีเพียงเราหรือคนที่เหมือนเราเท่านั้นถึงจะรู้ได้ว่าใครบรรลุคุณธรรมส่วนปุถุชนย่อมประมาณไม่ได้ คือรู้ไม่ได้การปรามาต์พระอริยะย่อมชื่อว่าทําลายกุณวิเศษของตนคือมนุษย์เป็นสภาพที่ศึกษาธรรมปฏิบัติธรรมได้ดีที่สุดการปรามาต์พระอริยะเท่ากับตัดโอกาสบรรลุหรือก้าวหน้าในธรรมของตนและย่อมไหลลงสู่อบายหรือถึงความตกต่าได้รับทุกข์เดือดร้อนโดยเฉพาะหลังจากตายจะเห็นชัดที่สุดแต่ในปัจจุบัน ก็เอาดีได้ยากทำความสงบจิตได้ยากบรรลุธรรมไม่ได้และยังมีอีกพระสูตรหนึ่งตรัสถึงเทวดาที่บรรลุธรรมตั้งแต่โสดาบันขึ้นไปก็สามารถรู้ได้ว่าใครบรรลุธรรมหรือไม่แต่เทวดาทั่วไปแม้อยู่ชั้นสูงสุดถ้ายังไม่บรรลุธรรมก็ไม่มีทางรู้ว่าใครบรรลุธรรมหรือไม่ ซึ่งหลายคนพอไม่ได้ศึกษาพระสูตรนี้ก็จะกลายเป็นเข้าใจผิดว่าคนจะรู้ว่าใครบรรลุ ธ, ธรรมหรือไม่นั้นต้องเป็นอรหันต์ด้วยกันเท่านั้นทั้งที่ความจริงเทวดาแม้แค่โสดาบันก็รู้ได้เช่นกันจึงไม่แปลที่พระเกจิอาจารย์สายปฏิบัติจำนวนมากจะสันเรินบูชาหลวงตาพระมหาบัวและการันตีว่าท่านบรรลุ ธ, ธรรมสิ้นพบแล้ว